อัลล a l a m u i l l a h i r a t b i l a l a m a เพรความสัติความเจริญจากอัฮฺ سبحانه ละประสบกับพี่น้องผู้สัทยาทุกท่านนะครับดุรริพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องยังให้เกียรติติดตาม รับชมและรับฟังนะครับรายการวิยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงทุกท่านเลยนะครับเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจและตระหนักนะครับถึงความสำคัญของอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรนะครับให้กุรอานนั้นจะได้มาอยู่ในชีวิตอยู่ในการปฏิบัติรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เาเรียกว่าเป็นการบ้านของเราทุกคนนะครับ มันไม่ใช่ว่าใครจะทําได้หรือใครจะทําไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจในบริบทของอัลกุรอานและความสําคัญของอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นผมจึงได้ใช้คําว่านะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญนะครับกุรอานคือทางรอดกุรอานคือทางนําของมวลมนุษยชาตินะครับมันจึงทําให้เราได้ เ, เข้าใจนะครับว่าเมื่อความสําคัญ3ประการนี้มันจึงเป็นเหตุที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะต้องให้ความสําคัญกับอัลกุรอานดังนั้น เราควรจะต้องศึกษาอ่านอัลกุรอานทำความเข้าใจอัลกุรอานนะครับทุกวันนะครับในยีิบสชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีสักช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่จะกินนาทีก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้นําอัลกุรอานมาอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตของเราให้ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งการจุดเริ่มต้นของการที่จะได้ให้เรานั้นมีความผูกพันกับอัลกุรอานนะครับครับเพื่นอนเอนครับกลับมานะใน เ, เรายังอยู่ในสุรอกัสส์ๆๆนะครับที่ วันนี้ก็เริ่มต้นนะครับวันนี้ก็ในอายาที่สามสิบเจ็ดนะครับถ้าความในตอนที่แล้วนะครับที่เอา ล, ล็อกซูปานาหัวตาลานะครับได้บอกให้เราได้รับทราบนะบเมื่อนบีมูซาได้ถูกมอบหมายในการที่จะต้องไปเจอกับเผชิญหน้ากับเฟรเอลและทหารของเขาและบริวารของเขาซึ่งแน่นอนนะครับนี่คือเป็น ถ้าบ้านเราวันนี้เราเรียกว่าเป็นระหว่างความเป็นกับความตายก็ว่าได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากเซลล์ เ, เอวนั้นมีครบทุกอย่างนะครับในการที่จะไม่หรือในการอาหางกาของเขาในการที่จะไม่เชื่อใครแล้วก็ไม่ยอมจะเชื่อใครนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ชี้นําเขาหรือคนที่มาบอกอะไรกับเขานะครับในทิ้งที่เขาไม่ต้องการนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมุซาอลิสลามและนบีฮารูนจะต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวนะครับ ความอาหารกานะครับรวมถึงในเรื่องของการใส่ร้ายการบูลลี่ต่างๆนะครับดังนั้นสิ่งที่นบีมูซานำมามาบอกนะพวกเขาทั้งหลายก็ใช้วาจาคำพูดบูลลี่และบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บรรพุรุษจะมีบอกมีเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคนที่มาจากเมืองอย่างนี้และจะได้วิชาอันสูงส่งอันล้ำค่าขนาดนี้นะครับต่อมาครับไม่ว่าจะบูลลี่อย่างไรหรือใส่ร้ายอย่างไรี่นครับ นี่คือหนึ่งอ克拉 ข, ของผู้ที่เป็นรอซูลนะครับท่านนาบีมูซาตอบอย่างนี้บอกว่าวะกอลละมูซาโร บ, บีอานละมูบิมันเจอบิลฮุดาเห็นไหมจะบูรี่อย่างไรจะใส่ร้ายอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านนาบีมูซาอะเลซามได้บอกนี้บอกว่าโอ บ, บีนะพระผู้วิบาตของของฉันเนี่ยนะทรงรู้ดีนะว่าใครก็ใครเล่าที่จะใครที่ได้นําทางนําหรืออยู่ในหนทางที่เที่ยงตรง คนทางที่ถูกต้องพระองค์ทรงรู้ดังนั้นจะอ้างบรรพบรุษจะอ้างคนนั้นจะอ้างคนนี้นะครับหรือจะใช้คำพูดที่กลบเกลือนความผิดของตัวเองและความไม่เห็นด้วยของตัวเองจะยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นจุดที่ทำให้เราได้ได้ไ ด, ได้ประจักษ์นะครับว่าไม่ว่านะอยู่ในยุคไหนก็แล้วแต่ที่ผมใช้คำว่าคุรานนะเป็น าทางนำเนี่ยนะครับก็คือว่าเราอ่านอัลกุรอานเราจะเห็นว่ากุาณอ่านสอนอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนบีมูซ่าอาิสลามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุค ข, ของนบีมูซ่าอาิสลามแต่คําพูดต่างๆที่ให้เรานั้นได้ได้ได้ไดประจักษ์ว่าเมื่อความจริงเมื่อศัจธรรมเมื่อสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสุบฮานาห์อัตะลาสั่งใช้กําหนดอะไรก็แล้วแต่นะครับการต่อต้านหรือการไม่ยอมรับหรือการคําพูดที่ทําให้ ดิสเครดิตมาในเราไม่จำเป็นต้องต่อกก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ข้อข้อคอรหาอะไรที่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะพูดเพราะมันจะต่อยอดต่อเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งเราลืมถึงเป้าหมายหลักนะดูจากคำตอบที่ดันดาบีมูซาอะไรต่อบาเขาบอกว่ารบบีอาราบูบิม ja ันเจอเบิดหุดานแน่นอนครับพระบุญบานของฉันทรงรู้ว่าใครคืออยู่ในทางที่ถูกต้อง นะท่านจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะจะอ้างยังไงว่าบรรพุรุษไม่เคยมีมา ก, ก่อนก็อ้างไปแต่พระองค์ทรงรู้ใครทีอ่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะที่ได้รับสารรับความถูกต้องจากพระองค์นะวันนี้ <c oughs> สิ่งที่นบีมูซ่าได้นำมาบอกนั่นเป็นสารนั่นเป็นข่าวสารนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอ์ได้ให้นบีมูซามาบอกนะ และพระองค์ทรงรู้ว่าใครอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับวามันตะกูนโลหูอาคิบะตุดาลและพระองค์ก็ทรงรู้นะครับว่าใครที่จะมีจุดจบใครที่จะมีจุดจบที่เรียกว่าหน้าอานานจุดจบที่พำนักบ้านปลายชีวิตะจะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรู้นั่นหมายความว่าไม่แคร์จากคำพูด ไม่ว่าจะบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะพูดอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะอ้างเหตุผลร้อยแปดนะที่จะบอกว่าสิ่งที่ท่านนาบีนำมานั้นเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเวทมนต์คาถาอาคม <c oughs> จะพูดอย่างไรก็พูดไปพระองค์ทรงรู้นะและแน่นอนบ้านปลายและจุดจบของคนที่ปฏิเสธหรือคนที่ไม่ยอมรับนะฮะจะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรู้ดังนั้น <c oughs> เราวันนี้พี่น้องครับการเผยแพร่ศาสนาการบอกกล่าวเรื่องศาสนาการดํารงไว้เรื่องศาสนานั้นบางครั้งสังคมหรือใครที่อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ตั้งกุศโลบายตั้งวาทกรรมคําพูดอา่าก็ดูดีนะดูเหมือนจะถูกดูเหมือนจะใชนะ่ถ้าเราไปโน้มน้าวหรืเอเราไปเอ็นอ่อนตามนะครับเราก็จะอือออตามว่าเออใช่ มันน่าจะล่าหลังไปแล้วเรื่องศาสนาเรื่องนี้มันน่าจะล่าหลังไปแล้วมันจะไม่ทันสมัยเราก็จะโอนอ่อนตามไปเลยนะครับแต่ถ้าเรายืนหยัดเรายืนหยัดเพราะแน่นอนครับสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ศาสนานํามาบอกเราที่เราซูนได้นํามาบอกเราไม่ว่าจะยุคใดก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ได้มองว่าใครจะเชื่อมากหรือเชื่อน้อยไม่ได้มองว่าใครจะ คนที่มาศรัท ธ, ธาคนที่มาเชื่อจะมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเปล่าแต่ดูที่ว่าสิ่งที่บุคคลหรือสังคมในยุคนั้นหรือผู้คนในยุคนั้นศรัท ธ, ธายอมรับการเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของอัลลอ์หรือไม่ยอมรับบรรดารอดูลที่ถูกส่งมาบอกสอนเรือ่องศาสนาหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่สาคัญนะครับและอัลลอ์สุบฮัตละได้บอกว่าอินนฮูลายุฟลูซลิมูน ที่นบีมูซาบอกแล้วก็บอกว่าแท้จริงพระองค์เนี่ยทำไมครับร่ายยุคลีโซนเ ล, ลมุนจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่อาธรรมได้รับชัยชนะเห็นไหมฮะไม่ปล่อยให้ผู้ที่อธรร ม, รนะ ม, ม, รรมวันนี้เราอาจจะแพ้วันนี้เราอาจจะดูถูกถูกอะไรถูกเหยียดหยามถูกทําลายถูกทําร้ายนะครับถูกกดขี่กมเหงถูกอะไรต่อนี้อะไรนะครับน่าสงสารน่ากลัวทุกอย่างมีหน้าหน้าหมดเลยนะครับแต่บั้นปลายและสุดท้าย ผู้ที่อธรรมจะไม่ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนี่คือสัญญาที่อลายและตันดบบมูซาอิสลามยืนยันอย่างนี้เนี่ยเพื่อลบอะไรครับลบคําสพประมาทก่อนหน้านี้เรื่องของที่บอกว่ า, อ, าอะไรนะามามาฮาดาอิลลัเซรมอฟตรอเนี่ยหรือว่ามาสมัยนบีฮาดะฟิอาบะอินันอววไลน์เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายหรือจะบอกคําบูลลี่ที่บอกว่าไม่เคยได้ยินมา ก, ก่อน บามพรูดม่เคยมีใครบอกมาก่อนนะอย่างนี้ไม่มีมาก่อนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถูกลบด้วยคําว่าอินนาหูลายุศหรือฮุสอี่มุลเอาละไม่ให้ผู้ที่อธรรมจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าด้วยกับการดํารงอยู่และด้วยกับการที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ไม่ได้รับชัยชนะนั่นก็คือไม่ได้สูงสวรรค์เปกับตอบแทนอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับด้วยกับการโต้ตอบอย่างนี้นะครับเทสเอาจะยอมที่ไหนล่ะครับ ไม่มีการยอมกับคนอาหารกาอย่างนี้ก็ต้องคิดบุตรโลบายนโยบายคําพูดอะไรที่มันทําให้เขาเรียกว่าสยบนบีมูซาให้ได้นะครับแล้วก็ทําให้สังคมเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองให้ได้นะครับนี่คือเฟร์เอา์นะเฟร์เอาได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าว่ก็ล้วฟรอาฟ์เรอาได้พูดเรื่าอะไรครับยะอายุฮัลมาลาอุมะอาลิมตัละกุมมินอีละหินไหรีอัลลอฮฺว่าแบบนี่คือความอาหางกาพี่น้องครับ บนหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีใครกล้ากล่าวไม่มีใครกล่าวในเรื่องของฉันเป็นพระเจ้าไม่มีจะกล่าวอย่างอื่นจะกล่าวว่าเป็นกษัตริย์เป็น น, น, ปน่กล่าวได้หมดเลยแต่จะกล่าวบอกว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่านที่สูงส่งเป็นพระเจ้าของพวกท่านไม่มีนะครับแต่เซเเอาทำเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้อยู่เหนือคําพูดและอะไรที่นบีมูซานํามาเสนอดังนะั้นต้องการให้เขาเรียกว่าคุม ไม่ให้น บ, บีมุสามีโอกาสที่จะได้พูดหรือแสดงอะไรออกนะครับแต่อย่าลืมว่าคําพูดของคนคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะมีอํานาจบารมีทุกอย่างนะครับแต่ใช่ว่าจะเป็นความจริงใช่ว่าจะนั้นได้นะครับได้ไดไดบอกว่าอะไรก้อละเฟรอยะอายุนมาเลอโอบริวารทั้งหลายนะครับมาอัลิมตุลกุ่มฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีพระเจ้าอื่นจากฉัน เห็นนี่คือความอ่างกาพี่น้องครับไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพพักดีอื่นจากฉันนั่นบมายว่าเขาตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าตั้งตัวเองเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่คอนทุมเป็นผู้ที่บริหารจัดการทั้งหมดเห็หมนมในอายะห์หนึ่งบอกว่าอานารบุกุมุลาฉันคือพระเจ้าของพระเจ้าที่ทสูงสง่งอย่าลืมนะครับว่า ไม่ใช่คำพูดเหล่านี้ไม่ใชม่มีใครเชื่อนะครับไม่มีไม่ใชม่มีใครตามนะครับโอ้โหคนส่วนใหญ่ตามเพราะอะไรครับบารมีของอำนาจบารมีของการเงินบารมีของการปกครองบารมีของยุทธภพกรนะครับนะีหมดเลยนะครับคนก็เลยเชื่อโดยเขาเรียกว่าไม่อยากเดือดร้อนเขาเรียกนะก็เชื่อแล้วศรัทธากันไปนี่คือทําให้เฟร์เอาคิดอาหางกาเพิ่มเติม นะครับว่าทุกคําพูดของเขาทุกสิ่งที่เขานําเสนอนะครับก็ยังมีคนพร้อมที่จะยอมรับและปฏิบัติตามนะครับนี่คือคําคําพูดที่อ่างการที่สุดนะครับที่บอกมาอาลิมตุละกุมินอีละหนนกไลรี่แต่แล้วทาไมต่อครับฟะเอากิดลียะฮามานุอาลตีนิฟะจัลลิซาร์ัลลัอัตตัลย์อีลาอิลาฮิมูซานี่คือความอหางการที่เป็นรูปธรรมอีกอันหนึ่งนะ หลังจากกล่าวแล้วนเฟตเอาได้บอกกับบริวารกับฮามานนะครับอ่านะซึ่งเป็นฐารคนสนิทนะที่บอกว่าไปเผาดินนะเพื่อเป็นอิฐนะครับแล้วก็เอามาทํำไรครับเอามาสร้างเอามาสร้างอาคารหรือเอามาสร้างหอให้สูงขึ้นนะหอสูงสูงนะเพื่ออะไรครับอั ต, ตาลียอิลาอิลาฮิมูซาเพื่อฉันจะได้ปีนขึ้นไปดูที่พระเจ้ามูซาเป็นยังไง ออกจะเกิดขึ้นจริงจะเป็นคำพูดแบบเยียดยามท้าทายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้แสดงถึงความอาหาังการและการปฏิเสธไม่ยอมรับคำเสนอแนะคำตักเตือนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลัมดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่าความยิ่งใหญ่การมีครบทุกอำนาจในมือ ในช่วงวินาทีนั้นนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยังไม่ได้ลงโทษยังไม่ได้ยึดเอาคืนแต่อย่างใดแต่ส่งรอซูลส่งคนที่จะมาเตือนมาบอกมากล่าวเพื่อให้ได้มีสติมีสำนึกเพื่อจะได้กลับตัวกลับใจและเป็นคนดีของสังคมต่อไปอำนาจการบริหารจากการก็ยังไม่ได้ถูกริบร้อนก็ทำได้เพื่อที่จะได้เป็นคนที่ดีและเป็นคนที่มีศาสนานะครับอีกอายาหนึ่งที่บอกไว้บอกว่า อิทับอิลลฟิรอานนะฟักูลาลหุมกาลันไลยินันละอัลลหุมยาตาดะละอัลลหุยาตาดกคารุออยักษะกาวกับ น, นบีมูซ่าและนบีฮะรุมบอกว่าท่นั้งสองจไปหาฟิรอานและไปพูดไปใช้คําพูดวาจาที่อ่อนโยนนะมาไม่ไม่ดุ ด, ดันไม่หยาบคายนะไปพูดแบบอ่อนโยนให้เกียรติเขานะเพื่ออะไรครับละอัลลหุยาตาดกคารุออยักษะวังว่าเขาจะได้สํานึก หวังว่าเขาจะได้สติหวังว่าเขาจะได้กลับตัวและเป็นผู้ที่ย่ำเกรงเห็นไมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ให้รู้ว่าคนอาหารกาขนาดนี้แต่ด้วยความเมตตาของลอดสุภาณหัวตลายังได้เมตตาเพื่อส่งกรอซูลมาสอนมาบอกมาแนะนํามาตักเตือนเพื่อให้ได้สติอย่าหลงกับอำนาจที่มีอย่าหลงกับเงินทองที่ได้รับอย่าหลงกับ อาณาจักรที่วันนี้นะดูว่าเป็นความยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลกเป็นบุคคลที่บริหารความเจริญทั้งหลายอย่าคิดเพราะถ้าวันหนึ่งมาเนี่ยเราเกิดจากอะไรนะครับเราเกิดจากอะไรเกิดตั้งแต่เล็กไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเราตายแล้วเราจะไปไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ควรจะต้องคิดแต่แล้วเชรเอาไม่ได้คิดอะไรครับแต่ที่เขาคิดได้คือความ เขเร็กเพิ่มความอาหารกาเข้าไปเพิ่มความาท้าทายเพิ่มความตะ ก, กบบรแบบไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งมาถึงที่บอกว่าอัละลอัตตลีอัตอเลอลาอลาฮิมูซาจนกระทั่งมาถึงคำที่บอกว่าจะขึ้นไปดูอัลลอฮ์นะเห็นไหมฮะนะให้สร้างหอหอคอยสูงสูงนะ ก็าคิดว่าการปีนขึ้นไปที่สูงที่สุดเพื่อที่จะได้ไปชะเง้อมองอมดูว่าพระเจ้าที่น บ, บีมูซาอ้างว่าอยู่บนชั้นฟ้าพระเจ้าที่บอกว่าเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นแบบไหนนะครับนี่คือความอาหาังการอย่างอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆนะครับต่อมานะครับวอวนนัินีนี่คือการยืนยันของเฟีร์เอาที่ทำให้ทุกคนเนี่ย อ, อ, อยากทำให้ทุกคนนะได้เข้าใจน บ, บีมูซาผิดผิด นะครับแล้วก็แน่นอนรับไม่อยากให้สังคมประชาชนนะครับรวมถึงบันีอ e ิสราอีลนะครับที่เป็นอขอเรเครือญาติของนบีมูซาหรือสลัมไม่เชื่อนบีมูซาด้วยคำพูดอะไรครับวัวอินนีละอาซุนนุฮูมินากาดิบินเพราะฉันคิดว่าที่นบีมูซาพูดมาเนี่ยที่นบีมูซานำมาเสนอเนี่ยนะครับที่เอามาเนี่ยคือพูดง่ายว่า แต่เล็กๆฉันเป็นคนไม่ใช่หรือฉันเป็นคนเลี้ยงดูอ่าท่านมาจากไหนลอยมาไม่มีอะไรแต่วันนี้กลับกลายเป็นคนที่มายืนต่อหน้าฉันแล้วมาพูดนะอ่าในเรื่องราวที่ของฉันมาเตือนฉันมาบอกฉันพี่น้องคําพูดนี้ก็มีเก่าวในกุรานนะนะครับมีเก่าในกว่าบอกไว้แต่พี่น้องลองดูเขาคิดได้นะว่านาบีมูไม่ใช่หรือนบีมูซาเป็นเด็กเล็กที่ฉันที่เราได้เอามาเลี้ยงดูนะเขาคิดตรงนี้ได้นะแต่เขาคิดไม่ได้ว่าเขาละ่ะ เกิดมาแล้วมีอำนาจเลยเหรอเกิดมาแล้วโตขนาดนี้เลยเหรอเขาลืมไปว่าเขาก็เกิดมาจากเด็กถูกไหมฮะจากอสุจิอยู่ในคันของมันดาโตคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูเป็นเด็กเหมือนกันเหมือนกันโดยไม่มีครอบอะไรต่าคิดตรงนน้นได้แต่ลืมคิดของตัวเองนี่คือนี่คือความบอดนี่คือความมืดมิดของหัวใจที่ไม่ยอมรับสัจธรรมนั่นเองนะ และก็คําพูดที่มาถึงจุดที่คําพูดที่บอกว่าวออินนีลาอุซุนูฮูมินาการบีบีนฉันเห็นว่าคิดว่านาบีมูซานะโกหกเห็นไหมฮะโยนความโกหกให้นบีมูซาโยนการใส่ร้ายใส่ร้ายนาบีทุกรูปแบบไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะเขาไม่เชื่ออย่างเดียวนะเขาปิดประตูการเชื่อแน่นอ น, นครับแต่เขาหวังและต้องการไม่ให้คนในท้องพะโรงไม่ประชาชนของเขาและประชาชนบันีอิสราเอลได้เชื่อ และยอมรับในบีโมซาพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการทำงานศาสนาในแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ราบรื่นถ้าเราซูนแต่ละท่านที่มาลำบากขนาดนี้ฟันฝ่าก่ออุปสรรคขนาดนี้นะครับต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายการทรมานอย่างแสนสาหัสและเจ็บปวดขนาดนี้แล้ว จนกระทั่งวันนี้อิสลามมาถึงเราและเราจะส่งต่ออิสลามต่อไปให้คนรุ่นต่อต่อไปคิดว่ามันจะง่ายคิดว่ามันต้องง่ายหรือคิดว่ามันต้องสบายหรือนะครับหรือเราจะต้องอดทนนะครับเราจะต้องฟันฝ่าหรือเราจะต้องพยายามให้สุดความสามารถเพราะนี่คือความสำเร็จนี่คืองานาศาสนานี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามาถึงมุสลิมทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้มีความรู้นะครับมันเป็นหน้าที่ ที่หนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นั้นตัวอย่างของนบีมูซาในสลับจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับคนที่เขาเรียกว่าทำงานาศาสนาคนที่มุ่ง ม, มั่นในการเผยแพร่าศาสนานะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของอุปสรรคปัญหามันมาอยู่แล้วครับแต่สิ่งสำคัญคือทำหัวใจของเราให้มีความหนักแน่นมั่นคงมั่นใจ นะครับแล้วเดินหน้าด้วยความหวังว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราถูกมอบหมายให้ดําเนินการสิ่งที่เราถูกมอบหมายให้ปฏิบัตินะครับและอัลลอฮ์รู้ว่าการทํางานงของเราเพื่อจุดประสงค์อะไรและเป้าหมายคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับครับพี่น้องครับพบกันใม่เดี๋ยวคั้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ